พระอนุบัญญัติ91อนหนึ่งภิกษุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักจากหมู่บ้านก็ตามจากป่าก็ตามมีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างในประเทศบ้างบริพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลง ก็เป็นขโมยดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นใดภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้เรื่องพวกภิกษุฉับพคีจบ